การที่พวกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหาเราต้องมีคุณธรรมสี่ข้อด้วยกันก็คือพรหมเวหารสี่ได้แก่เมตตาการุณามุฎิตาอุเบกขานี่คือทำคุณธรรมถ้ามีอยู่ในใจเรา จะรักษาใจของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์ใดพบปะกับใครถ้าเรามีพรหมลิริตใจเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่มีความเสียใจใจเราจะมีความสุข วิธีเจริญพรหมวิหารสีนี้ไม่ใช่กระทำด้วยการสวดเช่นเราสวดมนต์บทพรหมวิหารสีสัพเพสัตตาอาเวลาโหตุสัพเพสัตตาอัพยาปั ช, ชาโหตุสวดไปเรื่อยๆการสวดนี้ไม่ได้เป็นการ สร้างคุณธรรมสี่ประการนี้ขึ้นมาการสวดเป็นเพียงการศึกษาเป็นการสอนให้เรารู้ว่าเราต้องเจริญคุณธรรมเหล่านี้บทเมตตานี้มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคืออเวราห้นตุไม่จองเวรกัน อัปบยาปชาโหนตุไม่เบียดเบียนกันอานิคาโหนตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันสุขีอัตานังปาลิหารันตุให้ความสุขต่อกันและกันนี่คือความเมตตาเมตตาแปลว่ามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีไมตรีจิตการที่เราจะมีไมตรีจิตเราต้องแสดงออกไม่ใช่สวดอยู่คนเดียวการสวดอยู่คนเดียวนี้ยังไม่ได้มีการากระทาที่เรียกว่าเมตตาการที่จะทำให้เมตตาเกิดขึ้นมา ต้องใช้เมตตาเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์เวลาที่เราพบปะกันเราอยู่คนเดียวนี้เราแผ่มเมตตาไม่ได้เบะไม่มีคนรับการจะให้อะไรต้องมีคนรับให้ความเมตตาต้องมีคนรับความเมตตาจากเราถ้าไม่มีคนรับมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเหมือนจะให้เงินใคร เราก็นั่งสวดไปว่าขอให้คนนี้ร่ำรวยขอให้เขาได้เงินร้อยล้านพันล้านเป็นการสวดเฉยๆถ้าอยากจะให้เขาได้เงินร้อยล้านพันล้านต้องโอนเงินให้เขาขอขอหมายเลขบัญชีของเขาแล้วก็โอนเงินไปให้เขาพอเขาได้รับเงินเขาดีใจเขาตอบกลับมาขอบคุณอย่างมาก พอเราทราบว่าเขาดีใจเขามีความสุขเนเราก็มีความสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยสุ ข, ขี่อัตานางปริหะลันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขจะทำให้เขามีความสุขก็ต้องให้อะไรเขาให้เงินทองเช่นปีใหม่เราก็ส่งส อ, อสอส่งความสุขเราไม่ได้นั่งสวดส่งสคอสไป เราต้องส่งสกศต้องซื้อสกศมาแล้วเขียนเขียนในสกศว่าขอให้คุณมีความสุขในปีใหม่นี้นะอหรือถ้าดีก็มีขนมมีอะไรติดไปด้วยยิ่งดีหน่อยต้องมีคนรับต้องมีการให้ถึงจะเรียกว่าเมตตาถึงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องใช้เมตตานี้เพื่อทำให้ใจเราสุขเพื่อทำให้ใจเราไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ใช้เมตตาเวลาเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาอาจจะทำให้เราไม่สบายใจก็ได้เช่นถ้าใครเขาพูดไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดีทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาทำให้เราเสียทรัพย์สินเนื้อเจ็บเนื้อเจ็บตัว ถ้าเราไม่แผ่เมตตาใจเราจะโกรธใจเราจะร้อนแต่ถ้าเราแผ่เมตตาคือให้อภัยไม่จองเวรคำว่าไม่จองเวรก็คือไม่ถือโทษใครพูดอะไรใครทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเราไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจเราก็บอกว่าอเวลาหนตุ a ให้อภัยไม่ถือโทษกอดเคืองอันนี้ก็แทนที่ใจของเราจะร้อนแทนที่ใจของเราจะโกรธพอเราให้เมตตาได้ใจเราก็เย็นสงบมีความสุขถ้าเราให้ความเมตตาให้อภัยไม่ได้เราก็ต้องไปมีเรื่องกับเขาเขาทำร้ายเราเราก็ต้องกลับไปทำร้ายเขา พอไปทำร้ายเขาก็ทำให้ใจเราไม่สบายเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราแต่ถ้าพอเขาทำอะไรที่จะทำทำให้เราเสียหายแต่เราไม่อยากจะมีเรื่องกับเขาเราก็ให้อภัยเขาไปพอให้อภัยใจเราก็เย็นใจเราก็สบายนี่เรียกว่าอเวราโหนตุการไม่จองเวรกัน เพราะการจองเวรกันมันจะทำให้ต้องมีการจองเวรไปจองเวรมาเขาด่าเราแล้วก็ด่ากลับไปพอด่ากลับไปเขาก็ตีเราขเขาตีเราเราก็ตีกลับไปพอตีกลับไปเขาก็ฆ่าเราพอชาติหน้าเรามาเจอเขาเราก็ฆ่าเขามันจะล้างแค้นกันไปเรื่อยๆแล้วใจที่มีความมาฆาาพยาบาทนี้ จะไม่เป็นใจที่เย็นที่สงบจะเป็นใจที่ร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีคิดว่าจะทำร้ายเขาอย่างไรดีต้องนอนคิดนั่งคิดแล้วพอไปทำร้ายเขาแล้วทีนี้ก็กลัวเขาจะกลับมาทำร้ายเราเห็นพระพุทธเจ้าบอกเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนเวนไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวน ถ้าไม่อยากจะมีเวรต่อกันก็อย่าจองเวรกันให้อภัยกันใครเขาทำอะไรมาทำให้เราเสียหายอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้ใจเราจะเย็นมีความเมตตาเกิดขึ้น น, นนี่คือการแผ่เมตตา ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันแล้วมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาถ้าเขาทําให้เราเดือดร้อนเสียหายเราก็ให้อภัยเขาไปถ้าเราอยากได้อะไรก็จากเขาเราก็อย่าไปได้ด้วยการไปทําร้ายเขาเช่นไปขโมยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาก็จะทําให้เขาทุกข์ใจ หรือถ้าเราโกรธเราไปทุบตีเขาก็ทำให้เขาเจ็บทางร่างกายออพอเขาเจ็บเขาเดือดร้อนเขารู้ว่าเราทำเขาเขาก็จะกลับมาทำเราพระตจ้านิงสอนว่าให้แผ่เมตตาด้วยการไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันให้ต่างคนต่างอยู่กัน ถ้าจะทําอะไรแข่งขันก็ก็แข่งขันแบบที่กฎมีกติกาทําไปตามกฎหมายทําตามศาามีลธรรมอย่าไปทําผิดกฎกติกาออย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของเราเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันถ้าอยากแม้วอยากจะให้เขามีความสุข เรามีของอะไรแบ่งให้เขาบ้างพอให้ของเขาแล้วเขาก็จะชอบเรารักเราอันนี้คือความเมตตาเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เราอยู่ร่วมกันในกลุ่มทั้งในครอบครัวและกลุ่มใหญ่กว่าคือสังคมเราต้องพบปะกันเราจะต้องมีการ กระทำอะไรบางอย่างที่อาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหเกิดความเดือดร้อนกันบ้างเราก็ต้องให้อภัยเวลาเราทำอะไรก็ต้องมีสติคอยระมัดระวังคิดก่อนว่าถ้าเราทำอะไรทำอะไรแล้วทำให้คนอื่นเ ด, เดือดร้อนหรือเปล่าถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็อย่าทำ อันนี้ต้องคิดถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นคนที่มีเมตตานี้จะคอยละมัดจะละมัดระวังไม่ว่าการกระทําของเขาทางกายทางวาจาทางใจจะไม่ให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนถ้าเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ทําดีกว่าอันนี้คือเรื่องของความเมตตาถ้าเขามาทําให้เราเสียหายเดือดร้อนเราก็ ให้อภัยเข้าไปอย่าไปตอบโตอ้อย่าไปร้างแค้นกันเพราะไปร่างแค้นกันก็จะทําให้เรื่องยาวเขาก็จะกลับมาร่างแค้นเราอีกแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขอยู่กันด้วยความแล้วอยู่ความด้วยความกังวลหวาดกลัว น, น, น, นี่คือเรื่องของการแผ่มเมตตา คนส่วนใหญ่ชาวพุทธเราส่วนใหญ่คิดว่าการแผ่เมตตาคือการสวดสวนบทแผ่เมตตาสเพสัตตาอเวลาโหนตุอ้อยสัตทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดอันนี้ไม่ได้แผ่นะอันนี้เป็นการสอนวิธีแผ่ว่าเวลาเราโกรธใครเวลาเราอาฆาตพยาบาทใครเราต้อง ให้อภัยเขาไม่จองเวรกันเวลาเราทำอะไรอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอเวลาทำอะไรอย่าไปทาร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นทำความสุขให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาสุขเพราะอะไรเราทำให้เขาสุขได้แล้วเขาสุขเช่นวันเกิดคนที่เรารู้จักเราก็ซื้อขนมเคก้กมาฝากเขา อันนี้ก็ทําให้เขามีความสุขเกิดขึ้นมาการให้เนี่ยทําให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามนให้แล้วเพราะทุกคนอยากได้กันนั้นเวลาได้อะไรมาทุกคนก็มีความสุขกันนี่คือความเมตตาอา น, นิสงส์ของความเมตตานี้มีต้องหลายข้อด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่า ผู้มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสองเทวดาจะคุ้มครองปกป้องรักษาสามจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะไม่มีใครฆ่าเราด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะเราไม่ได้ทำให้ใครเป็นศัตรูกับเราการแผ่เมตตานี้เป็นการสร้างมิตรสร้างมิตรภาพ e n d s, <Friends> <S h uh ิ p huh. เราจะไม่ตายด้วยอาวุธหรื อ, อยาพิษเวลาเราจะเวลาตื่นเราก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุข uh huh. เวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้าย uh huh. หน้าตาก็แจ่มใสผิวพรรณผ่องใส uh huh. เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่าย uh huh. และเวลาตายไปก็จะไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนไปถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีแผ่เมตตามีเมตตาต่อกันแล้วกันเราจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับเพราะเราจะมีมีแต่คนที่รักเราชอบเราห้อมล้อมเรา จะไม่มีใครเกลียดชังเราไม่มีใครอาฆาตพยาบาทเราอันนี้คือข้อที่หนึ่งเมตตาข้อที่สองคือกรุณาการุณาแปลว่าความสงสารในความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเราช่วยได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาไปตามกำลังของเรา ทำเท่าที่เราทำได้เช่นเวลามีอุบัติภัยต่างๆมีไฟไหม้มีน้ำท่วมมีแผ่นดินไหวเราก็ต้องรีบไปช่วยกันคนสมัยนี้มาจากทุกทิศทุกประเทศคนที่ไปติดในถ้ำอยู่เนี่ยที่เชียงรายมีคนพอรู้ข่าวนี้มากันจากหลายประเทศมานี่เนืยอว่าความกรุณา ต้องการช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนให้เขาแค้งคกร่ปลอดภัยจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆอันนี้เรียกว่าการุณาให้ช่วยเหลือกันแต่การช่วยเหลือกันก็ต้องมีขอบเขตมีเหตุผลต้องช่วยในกรณีที่เขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้ถ้าเขาช่วยตัวเขาเองได้แล้วไปช่วยก็อาจจะทำให้เขา ขี้เกียจก็ได้เช่นเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่เขาไม่ทำงานแล้วเขามาขอเงินเราถ้าอย่างนี้ให้เขาก็เขาก็จะทำให้เขากี่เกียจเขาก็จะมาขออยู่เรื่อยๆยกเว้นว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาตกงานไม่มีงานทำ ถ้าเราพอหางานให้เขาได้ก็หาให้เขาไปช่วยหางานให้เขาถ้าหาไม่ได้ก็ให้แต่ของที่จาเป็นต่อการดำรงชีพเช่นให้อาหารถ้าเขาไม่มีอาหารก็หาอาหารให้เขากินไม่มีเสื้อผ้าก็หาเสื้อผ้าให้เขาใส่แต่ถ้าให้เงินนี้บางทีไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรบางทีก็มาหลอกเราก็ได้ บางทีเขาติดยาเสพติดแล้วเขาเล่นการพ น, นันเด่มสุราถ้าเราให้เงินทองช่วยเหลือก็แบบนี้ไม่ได้ช่วยเขาแก้ปัญหาแต่ช่วยให้เขามีปัญหามากขึ้นเพราะเขาจะติดติดแล้วเขาก็จะต้องไปคอยขอเงินคนนั้นคนนี้ไปหลอกลวงคนนั้นคนนี้อยู่เรือร่อยๆเระฉนั้นการช่วยเหลือก็ต้อง รู้จักช่วยคือช่วยให้เขาลุกขึ้นมาได้แล้วให้เขาเดินต่อไปได้เช่นถ้าคนถกล้มแล้วลุกขึ้นมาไม่ไหวเราก็ช่วยพยุงให้เขาลุกขึ้นมายืนเพื่อให้เขาเดินได้พอเขาเดินได้ก็ปล่อยเขาเดินไปเองไม่ใช่พอเขาล้มก็เลยอุ้มเขาแล้วก็พาแบกเขาไปทุกแห่งทุกคนเขาอยากจะไปไหนก็อุ้มเขาไปถ้าช่วยแบบนี้ เป็นการช่วยที่ไม่ถูกต้องเพราจะทำให้เขาไม่พึ่งตัวเองการช่วยเหลือการช่วยเหลือในเวลาที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องช่วยเขาไปพอเขาหายแล้วพอเขาช่วยตัวเองได้ก็ให้เขาช่วยตัวเองต่อไปถ้าช่วยแบบไม่ถูกก็จะเกิดโทษกับคนที่เราช่วยเหลือ อย่างสมัยนี้พ่อแม่บางคนนี่เลี้ยงลูกแบบเลแบบไม่ถูกกิดไม่ให้ลูกหัดทำอะไรเลยไม่อยากให้ลูกลำบากก็เลยให้เงินอย่างเดียวให้เงินใช้อย่างเดียวแทนที่จะสอนให้ลูกรู้จักหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้รู้จักคุณค่าของเงินทองที่หามา ว่ามันยากลำบากอย่างไรเขาจะได้ใช้อย่างระมัดระวังแต่ถ้าแทนที่จะให้เขาไปทำงานหาเงินกลับให้เงินเขาใช้อยู่เรื่อยๆเขาก็ไม่ต้องไปทำงานเขาก็ไม่อยากทำทำมันเงินเดือนสู้เอาเงินจากพ่อแม่ดีกว่าแล้ว เ, เขาก็จะหาเงินไม่เป็นแต่รู้จักแต่ใช้เงินแล้วต่อไปพ่อแม่ตายไป ทิ้งเงินไว้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ใช้หมดเพราะว่าไม่รู้จักหารู้รู้จักใช้อย่างเดียวเอการช่วยแบบนี้ก็ไม่ถูกการช่วยเหลือผู้อื่นต้องช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์กับเขาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันก็คือเขาเดือดร้อนอะไรขาดแคลนอะไรก็ช่วยเหลือเขาไปแล้วก็ดูว่าช่วยเหลือแล้วทําให้เขาเอ ช่วยตัวเองได้ในอนาคตหรือไม่ถ้าช่วยแบบทาให้เขาช่วยตัวเองในอนาคตไม่ได้ก็อย่าไปช่วยดีกว่าอันนี้คือความกัลปนาการช่วยเหลือกันถ้าเวลามีเหตุการเกิดขึ้นที่จำเป็นจะต้องช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันไปถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุการณ์ก็อย่าช่วยต้องให้เขารู้จักนิรนต่อสู้ พึ่งตัวเองให้ได้ทาเขาพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วเขาสู้เต็มที่แล้วไม่มีที่ไม่มีที่ไปแล้วก็เราอาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาลุกขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยตัวเขาเองต่อไปได้ อ, อันนี้การช่วยเหลือผู้อื่นก็เหมือนกับเป็นการทำบุญการทำบุญก็ทำให้เรามีความสุขใจ จะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาก็ได้เพราะการแผ่คนนี้เราการที่เราจะช่วยคนอื่นก็เพราะว่าเราเราอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์แต่เพียงแต่ว่าเราช่วยในกรณีที่เขาเดือดร้อนแต่การแผ่เมตตานี้ไม่จําเป็นต้องรอให้เขาเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนก็ช่วยเขาให้เขาให้อะไรเขาก็ได้ให้เงินบ้างให้ของขวัญบ้างซื้ออะไรบ้างให้เขาอย่างงี้ ก็มีการให้ความสุขได้สองแบบให้ความสุขในกรณีที่เขาไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเป็นการสร้างมิตรภาพเวลาเราให้ของเขาเขาก็จะเห็นความดีของเราเขาก็จะเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าให้เขาช่วยเหลือเขาตอนที่เขาเดือดร้อนอันนี้เราไม่เรียกว่าเมตตาเราเรียกว่ากรุณา ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ยากได้ยากลำบากลำบนให้เขาอยู่สบายบ้างช่วยช่วยคนพิการช่วยคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เด็กเด็กอนาถาเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่อันนี้ไม่มีใครเลี้ยงดูถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือไปก็ศ า, าสนาทุกศาสนาก็จะมีสถ า, านที่เลี้ยงเด็กกำพร้า นับเด็กกำพ้ามาเลี้ยงอาศัยเงินทองของผู้ที่นับถือศาสนาบริจาคให้กับศาสนาให้กับวัดให้กับโบสถ์แล้วเขาก็เอาเงินนี้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เขาอยู่มีอยู่อย่างมีความสุขและอยู่แบบช่วยตัวเขาเองได้จะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของสังคม หรือไม่มาสร้างความเสียหายให้กับสังคมเพราะเด็กที่ไม่มีใครช่วยเหลือต่อไปเขาโตขึ้นเขาอาจจ ะ, ะต้องเลี้ยงตัวเองด้วยการทําอาชญากรรมต่างๆก็ได้ทํามิจฉาชีพรักขโมยต้อนจี้อะไรทํานองนี้แต่ถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือเลี้ยงดูให้เขาได้เรียนหนังสือมีความรู้ เขาก็จะมีความรู้ที่จะไปหางานทำได้ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปทำอาชญากรรมไปสร้างความเสียหายให้แก่สังคมนี่คือความกรุณูนาเราอยู่ร่วมกันเราต้องช่วยเหลือกันสังคมจะได้ปลอดภัยจากอาชญากรรมถ้าไม่ช่วยเหลือกันต่างคนต่างเอาแต่ตัวเอา คิดแต่เอาแต่ตัวเองดูแลตัวเองคนที่ไม่มีใครช่วยเหลือดูแลเขาก็อาจจะต้องมาทำอาชญากรรมเพื่อช่วยเหลือตัวเขาเองก็ได้อันนี้เราก็ต้องพยายามเจริญความกรุณาเวลาที่มีผู้ที่เขาตกทุกข์เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ถ้าเราช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่างเมื่อสองาทิตย์ก่อนนุ้ก็มีเด็กคนหนึ่งไม่อยากเรียนหนังสือแต่ไม่ไม่สามารถเข้าโรงเรียนปกติได้เพราะขาดขาดผู้บกครองมารับรองก็เลยได้ข่าวว่าทางวัดมีโรงเรียนวัด ก็เลยมาขอเรียนที่โรงเรียนวัดแต่พอดีโรงเรียนวัดนี้เขารับแต่ผู้ชายนี่เขาเป็นผู้หญิงรับไม่ได้ก็เลยต้องหาวิธีอื่นหาคนที่พอที่จะไปพูดกับโรงเรียนให้เขาอนุญาตให้เด็กเข้าเรียนได้ถ้าขาดคนรับรองก็หาคนรับรองมารับรองให้เขา ในที่สุดเด็กก็ได้เข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสืออันนี้คือเมื่อเขามาขอความช่วยเหลือถ้าเราช่วยได้เราก็ควรที่จะช่วยแต่การช่วยเหลือบางอย่างเราอาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้เช่นเราขับรถไปแล้วมีคนโบกขอให้เราช่วยขอขึ้นรถไปด้วยเราก็ต้องดูว่าคนเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรหรือเปล่า ถ้าเราเป็นผู้หญิงนี่อาจจะอันตรายถ้ามีผู้ชายหรือใครมาโบกรถให้ช่วยขอขอโดยสารไปด้วยอย่างนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้อง เ, อเราก็ต้องปฏิเสธไปเพราะการช่วยเหลือใครก็ต้องอยากให้มันมาทำความเสียหายให้กับตัวเราถ้าเราไม่แน่ใจเราก็อยากไปช่วย หรืออาจจะขับรถไปแล้วบอกตำรวจว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือให้ตำรวจเขามาดูแลให้คนที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลได้ให้เขามาดูแลแต่ถ้าเราช่วยแล้วมันเป็นภัยกับเราเราก็อยากช่วยอันนี้ก็เรื่องของความการุณาบางทีมันก็ทำใจยากเหมือนกันบางทีขีอยากจะช่วยเขาแต่ก็ก็ไม่มั่นใจว่าช่วยแล้วตัวเราจะปลอดภัยหรือเปล่า เราก็ต้องตัดสินใจว่าเราก็ต้องช่วยตัวเราก่อนรักษาตัวเราก่อนไม่ใช่ไปช่วยคนอื่นแล้วก็มาทำร้ายตัวเราเอง น, นี่ก็เรื่องของความการุณาเหมือนกันเพรนั้นบางทีเราก็ช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาอุเบกขานี่ก็เป็นข้อที่สี่ข้อที่สี่คือให้เราบางทีเราช่วยเขาไม่ได้ เพราะว่าช่วยแล้วเราอาจจะเดือดร้อนเ ส, เสียหายเองเราก็ต้องใช้อุเบกขาคือทำใจเฉยๆสอนใจว่าคนเราทุกคนก่อนมาก็มีบุญมีกรรมติดตัวมามีบุญมีบาปติดตัวมาเวลาเขาเดือดร้อนก็เป็นเพราะบาปของเขาทาให้เขาเดือดร้อนเพราะพอดีเราก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็ต้องให้เขารับผลบุญผลบาปของเขาไป ใจเราจะได้ไม่เสียไม่เสียใจไม่เดือดร้อนถ้าเรามองว่ามันเรื่องของบุญของบาปไปแต่ถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้แล้วใจเราไม่สบายก็ให้ใช้อุเบกขาอุเบกขาจะบอกว่าเราช่วยทุกคนไม่ได้หรอกในโลกนี้ต้องมีต้องมีบางคนที่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ เมื่อเราช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นบุญของประกรรมเป็นบาปของเขาลวกันหรือเป็นโชคไม่ดีของเขาไม่ อ, อย่างนั้นเราจะไม่สบายใจถ้าเราไม่รู้จักใช้อุเบกขาบางทีเราอยากจะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้แต่ช่วยไม่ได้แล้วจะทําทให้เราเสียใจขึ้นมาก็อย่าเสียใจความเสียใจก็ไม่ถูกความอยากช่วยเขา แ้วทาให้เราเสียใจก็ไม่ถูกต้องช่วยเขาแล้วทำให้เรามีความสุขถึงจะเรียกว่าถูกนี่คือการใช้ความกัลณนาต้องรู้จักใช้ข้อที่สามคือมุดิตาคือการให้เรามีความยินดีกับความสุขกับความเจริญของผู้อื่นอันนี้มีไว้เพื่อให้เร า, าหยุดความ เขาเรียกความอิจฉาลิษยาหรือความเสียใจน้อยใจไม่พอใจเพราะบางทีเหมือนกับว่าเราแข่งขันกันเช่นเราแข่งขันเล่นกีฬ า, าถ้าเขาชนะเราแพ้บางทีเราจะเสียใจแต่ถ้าเรามีมุติตายินดีกับชัยชนะของเขาว่ามันก็เป็นการแข่งขันกันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะ ผู้ชนะเราก็ควรที่จะยินดีกับเขาว่าเออเขาเก่งกว่าเราะหรือเขาโชคดีกรรมการตาไม่ดีตัดสินให้เขาชนะก็แล้วไปแต่เราไม่ควรที่จะต้องมาเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆกับความสุขความเจริญของผู้อื่นความสุขความเจริญของผู้อื่นก็ไม่ได้มาทําให้เราสุขให้เราเจริญแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นแทนที่จะทําให้เรามีความสุขกับทําให้เรามีความทุกข์ได้ะ ยิ่งเฉพาะคนที่เป็นคู่แข่งกับเราเวลาเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราเราจะรู้สึกอิจฉาเขาแล้วบางทีก็อาจจะทำให้เราไปคิดไม่ดีกับเขาได้พยายามไปหาวิธีกั่นแกล้งเขาหาวิธีที่จะทำให้เข า, าไม่เจริญก้าวหน้าอ น, นี้ไม่ควรทำควรให้ความยินดีกับ ชัยชนะของผู้อื่นกะให้มีความยินดีต่อความสุขของผู้อื่นแม้ก็แม้อาจจะเป็นความทุกข์ของเราเราก็ยินดีไปอย่างน้อยมันจะทำให้ความทุกข์ของเราน้อยลงไปเช่นเพื่อนเราก็เอาแฟนเราไปอย่างนี้เราก็แสดงความยินดีกับเพื่อนอถ้าเขามีความสุขเขาอยากจะ ไปมีเป็นแฟนของเพื่อนเราก็ดีใจกับเพื่อนไปด้วยแต่ถ้าเราหวงแฟนเราเราก็จะโกรธได้แล้วเราจะเสียใจแล้วเราจะอาจจะพูดไม่ดีทำอะไรไม่ดีได้ฉะนั้นขอให้เรามองโลกว่ามองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงถ้าเขาชนะก็เป็นความจริงที่เขาชนะ ถ orman, ้าเขาได้ความสุขได้ความเจริญก็เป็นความจริงของเขาเราไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกแล้วอยู่ที่เราว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ขอให้เรายอมรับความจริงยินดีกับชัยชนะของเขายินดีกับความสุขของเขาเราก็จะมีความสุขด้วยแต่ถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะ มีความรู้สึกไม่สบายใจน้อยใจเสียใจและอาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาก็ได้อันนี้มุติตานี้มีไว้เพื่อดับความเสียใจความน้อยใจความโกรธให้เห็นใครเขามีความสุขมีความเจริญก็ก็ถือว่าเป็นบุญของเขาก็แล้วกันเรายังไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่ใช่เวลาของเรา เวลาของเราอาจจะอยู่ข้างหน้าอาจจะดีกว่าเขาก็ได้ต่อไปไม่มีใครรู้อนาคตแต่การที่เราจะมาโกรธมาเสียใจมาน้อยใจมันไม่เป็นประโยชน์กับเราและอาจจะไปทําให้เราไปทําอะไรไม่ดีกับผู้อื่นต่อไปก็ได้อันนี้คือมุติตานี่คือคุณธรรมสี่ประการข้อที่สี่คู่เบกขา อมเบขาคือการทำใจให้เฉยๆเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้เราก็อยู่เฉยๆไปเช่นเรายังไม่สามารถที่จะไปสะแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ชนะได้เราก็เฉยๆไปก็แล้วกันอย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปทำอะไรไม่ดีทำใจเฉยๆไปถ้าเราช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไม่ได้ก็ทำใจเฉยๆไป ถ้าเราสร้างมิตรไม่ได้ก็เฉยเฉยไปแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่มีความทุกข์ใจ<ม>นี่คือคุณธรรมสีข้อที่เรียกว่าพรหมวิหารส<ม>ี<ม>่เมตตากรุณามุญิตาอุเบกขาเราต้องใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนกับเกียร์รถยนต์เวลาเราขับรถนี่เราต้องคอยเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยๆ เพราะถนนนี่มันเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆถนนรถเยอะวิ่งไม่ได้เร็วก็ต้องเข้าเกียร์ต่ําพอถนนว่างขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเข้าเกียร์สูงออันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในเหตุการณ์ในสังคมนี้เราจะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันถ้าเราพบปะกันเราก็แสดงไมตรีจิตที่เราพูดเฮลโลทักทายกันสบายดีหรือเปล่า ยิ้มแย้มยิ้มให้กันดีกว่าหน้าเบื้องใส่กันคนต่างชาติชอบมาเมืองไทยเพราะชอบคนไทยเพราะชนไทยมีเมตตาชนไทยมักจะทักทายกันยิ้มให้กันคนต่างชาติมักจะไม่ค่อยยิ้มให้กันเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้ถูกสอนให้แผ่เมตตาแต่คนไทยนี่จะถูกสอนจากพระพุทธศาสนา ให้มีความเมตตาต่อกันอันนี้ก็เลยเขาว่าเมืองไทยนี้เป็นเมืองยิ้มไทยสมาย l e เพราะคนไทยนี้แผ่เมตตากันตลอดเวลาเวลาเจอกันไม่แยกเคี้ยวใส่กันไม่น่าเ บ, บื้อใส่กันเจอกันจะไหว้จะสวัสดีจะทักทายกันอนนี่คือความแผ่เมตตา ถ้าเราสามารถเจริญคุณธรรมเหล่านี้ได้เวลาเราอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆนี้เราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างใดเราจะรู้สึกมีความสุขกับทุกเหตุการณ์เวลาต้องให้เมตตาก็ให้เมตตาเวลาต้องให้กรุณนาก็ให้กรลปนาเวลาต้องให้มุติตาก็ให้มุติตาเวลาที่ต้องให้อุเบกขาก็ต้องให้อุเบกขาไป แต่อย่าไปใช้อุเบกขาในเวลาที่ผิดนะเวลาที่ช่วยเหลือเขาได้ก็ทําเป็นอุเบกขาไปอย่างนี้ก็ไม่ดีเวลาที่มุทิตาได้ก็ไม่ไปก็ไปใช้อุเบกขาก็ไม่ดีเวลาใช้เมตตาได้ก็ไปใช้อุเบกขาก็ไม่ดีจะไม่ได้รับประโยชน์ที่ก็ อุเวกขานี่มีไว้เพียงป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจเสียใจเท่านี้แต่ถ้าอยากจะมีความสุขใจนี้ต้องใช้เมตตากรุณาโมฎิตาเพราะว่าเวลาเราได้ให้ความเมตตากับใครให้ความกรุณากับใครให้มมฎิตากับใครเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่สามารถให้เขาได้ก็อยากไปทุกข์ก็ทําใจเฉยๆไปก็แล้วกัน การทำใจเฉยนี่เป็นการที่ยากถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนออุเบกขานี่จะฝึกอุเบกขาก็ต้องฝึกสมาธินีเ่เพราะผู้ที่ได้สมาธิจะได้อุเบกขาจริงๆถ้าไม่เช่นั้นยังจะเป็นอุเบกขาปลอมอยู่คือทำใจเฉยทำใจเฉยๆแต่ใจมันไม่ยอมเฉยใจมันก็ยังอยากจะ ทำอะไรที่อยากจะทำอยู่แต่ถ้าเราฝึกสมาธิได้ทำใจให้สงบได้พอเราบอกให้ใจเฉยเฉยมันก็จะเฉยเฉยได้ยนั้นการที่จะสร้างอุเบกขาขึ้นมานี้ต้องหมั่นฝึกสมาธิหัดนั่งสมาธิยลานสติพุทธโธพุทธโธหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่กับลมหายใจก็ได้ให้อยู่กับพุโทโธก็ได้แล้วใจจะสงบจะนิ่งจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาตอนที่เป็นอุเบกขานี้ใจจะเฉยเฉยรับรู้เฉยเฉยเห็นอะไรก็เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรไม่เดือดร้อนเห็นอะไรก็ไม่ไม่ไปวุ่นวายใจด้วยไม่ไปดีใจด้วยไม่ไปเสียใจด้วย อันนี้เป็นใจที่ดีที่สุดถ้าเราสามารถฝึกใจควรจะฝึกใจให้เข้าถึงอุเบกขาให้ได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วมันก็จะสามารถที่จะ อ, อ, อยู่เฉยๆได้และสามารถแสดงความเมตตากรุณามมฎิตาได้เพราะใจที่มีความสุขกู้กเบกขาแล้วนี่ ก็จะสามารถแบ่งความสุขให้กับผู้อื่นได้ yeah. ใจที่มีอุเบกขานี้จะไม่ค่อย uh, หิวกับอะไรต่างๆจึงสามารถเสียสละแจกข้าวแจกของให้กับผู้อื่นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีอุเบกขาคนที่ไม่มีอุเบกขานี้มักจะยังมีความโลภความอยากอยู่อยากมีเงินมีทองอยากมีข้าวมีของ ดังนั้นถ้ายังมีความอยากอยู่เวลาจะให้เงินทองกับผู้อืึ่งให้เขาของกับผูน้นี้มันรู้สึกจะยากจะรู้สึกว่าการแผ่เมตตานี้มันยากแต่ถ้าใจคนที่มีอุบเบกขานล้วนี้นจะมีความสุขมีความอิ่มใจในใจของตนเองใจจะไม่หิวโหยกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทอง ถ้ามีก็ยินดีที่จะให้คนนั้นคนนี้ให้ให้เงินทองให้เข้าของแก่ผู้ได้อย่างง่ายดายทาให้สามารถแผ่เมตตาได้อย่างง่ายดายสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างง่ายดายสามารถแสดงมุติต า, ตตาจิตให้แก่ผู้ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาหนี้ใจบางทีจะรักจะชัง เวลาคนอื่นเขาได้ดีกว่าเราแทนที่จะไปรักเขากลับไปไปชังเขาไปเกลียดเข า, เ, าเวลาคนอื่นที่เขาเดือดร้อนแทนที่จะช่วยเหลือเขาก็รักสมบัติมากกว่าเสียดายสมบัติมากกว่าเสียดายเข้าของเงินทองก็จะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้แต่ถ้ามีใจเป็นอุเบกขาแล้วใจจะไม่ค่อยหิวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เพราะวาความสุขที่ได้จากบุเบกขานี่มันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจึงทำให้ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองมีอะไรมากถ้ามีก็ยินดีที่จะให้คนอื่นไปให้คนอื่นได้อย่างง่ายดายดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระสาวกเป็นตัวอย่างพระเหล่านี้ถ้าไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ท่านมีความสุขในใจของท่านท่านก็เลยไม่ต้องมีทรัพสมบัติอะไรมากมายท่านก็ไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครมีแต่จะให้ถ้ามีใครให้อะไรมาท่านก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้เพราะมันสิ่งที่ได้มามันสู้มันให้ความสุขกับใจไม่กับอกับใจที่มีอุเบกขาไม่ได้อุเบกขานี่ให้ความสุขมากกว่าอะไรทั้งหมด ก็เลยไม่ยึดติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราอยากจะอยู่แบบมีความสุขใจอยู่แบบไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเราต้องมาฝึกสมาธิกันฝึกสร้างอุบเบกขากันขึ้นมาเพราะเมื่อเรามีอุบเบกขาแล้วเราจะไม่ยึดติดกับอะไรการไม่ยึดติดนี้ดีเพราะว่าเวลา สิ่งที่เรายึดติดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการจากกันถ้าเรายึดติดเราจะเสียใจมากเวลาที่เราต้องเสียสิ่งที่เรารักเราหวงไปแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะเฉยเฉยใครจะมาใครจะไปก็เฉยเฉยอยู่คนเดียวได้อยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้อยู่แบบ เป็นเศรษฐีภายในโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าภายนอกไม่มีสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ภายในใจนี้มีความสุขมากกว่าสมของมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้สู้ความสุขที่ได้จากอูบเบกขาไม่ได้ถ้าฝึกสมาธิได้จิตเข้าถึง ชาญขั้นที่สี่ได้เข้าอุเบกขาได้จะเข้าพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็จะรู้สึกตัวสัทธิว่าตนเองนี้เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีแบบที่ไม่ต้องมีเงินและไม่มีใครรู้ว่าเป็นมหาเศรษฐีจะไม่มีใครมาขอเงินขอทองจากเรา เพราะเขารู้ว่าเราไม่มีเงินทองแล้วความสุขที่เรามีนี้เราก็ให้เขาไม่ได้อุเบกขานี่ถ้าใครอยากได้ก็ต้องไปสร้างขึ้นมาเองอันนี้ให้กันไม่ได้อุเบกขาของพระพุทธเจ้านี้ให้เราไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าแบ่งอุเบกขาของพระพุทธเจ้าให้กับพวกเราได้พวกเราก็สบายกันไปนะแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทำได้ก็คือสอนเราให้รู้จักวิธี ทำใจให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาทำใจให้มีความสุขขึ้นมาเพราะความสุขใจนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ได้จากการเป็นเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ได้เหรียญทองได้รางวัลชนิดต่างๆได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวรอบโลกความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการ ทำใจให้เป็นอูเบคาไม่ได้ถ้าใจเป็นอูเบคาแล้วจะสุขยิ่งกว่าความสุขเหล่านั้นแล้วสุขตลอดด้วยสุขนานด้วยความสุขที่ได้จากการได้เงินทองมาสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วพอได้มาแล้วมันก็รู้สึกเฉยๆเหมือนเดิมได้เป็นอะไรก็ดีใจตอนที่ได้เป็นใหม่ๆ พอเป็นแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยได้รางวัลก็เหมือนกันเป็น ไ, ได้ละเวลาได้รางวัลใหม่ๆก็ดีใจพอได้รับไปแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยไปเที่ยวที่ไหนมากี่ครั้งก็เหมือนกันเวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานมีความสุขพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วแล้วถ้าอยากจะได้ ก, ก็ต้องไปหาอต้องไปหาเพิ่มอีกเนีย คนที่มีร้อยล้านก็ต้องไปหาเพิ่มเป็นสองร้อยล้านถึงจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นถ้ามีร้อยล้านแล้วมันรู้สึกเฉยเฉยนะจืดจุดชืดชืดถ้าอยากจะให้มันมีรสมีชา ต, ต้องเพิ่มเป็นสองร้อยล้านพอสองร้อยล้านก็ต้องเพิ่มเป็นสามรอยล้านถ้าได้เท่าเดิมก็จะรู้สึกจืดจดชืดชืแล้วถ้ามันลดน้อยลงก็จะทำให้ไม่สบายใจแนละ้ว เคยมีร้อยล้านพอลดเหลือเก้าสิบล้านนี่เริ่มไม่สบายใจแล้วทั้งๆที่เก้าสิบล้านก็ใช้ไม่หมดเนี่ยแต่กินไม่หมดเดีย๋ยวจะใช้ไม่หมดเนี่ยเอาไว้ซื้ออาหารกินจนวันตายก็ไม่หมดนไม่เดือดร้อนแต่ก็ไม่สบายใจแล้วนี่คือความสุขทางโลกมันเป็นอย่างนี้มันให้เราดีใจเดียวๆแล้วมันก็จะทําให้เรา ต้องหามาเพิ่มอีกถึงจะถึงจะได้ความดีใจเหมือนกับตอนที่เราได้มันมาแล้วถ้าเกิดมันลดน้อยลงไปหรือมันหายไปก็จะทำให้เราเสียใจแต่ความสุขที่ได้จากอุเบกขานี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งถ้าเรารู้จักสร้างอุเบกขาขึ้นมาแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อยๆถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้เป็นอุเบกขาแบบทาวร คือมันยังเจริญได้เสือมได้อยู่เวลามันเสื่อมเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ง่ายกว่าเวลาเสียเงินร้อยล้านไปแล้วต้องกลับมาสร้างเงินร้อยล้านใหม่นี้มันยากกว่ากันสมมติเรามีร้อยล้านแล้วเราขาดทุนทำลงทุนแล้วขาดทุนเจ๊งหมดร้อยล้านกว่าจะกลับไปที่จุดร้อยล้านใหม่ห น, นี้มันอาจจะยากหรืออาจจะทำไม่ได้เลยก็ได้แต่ถ้าเราได้อุบเบกขาแล้ว เวลาอุเบกขาเสื่อมเราก็กลับเข้าไปใหม่ได้ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างเหมือนถ้าเรารู้จักวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็กลับไปทําวิธีเดิมนั่งเฉยๆหลับตาดูลมหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าไปอุเบกขาได้อันนี้คือเรื่องของคุณธรรมสี่ข้อด้วยกันที่จะรักษาจิตใจของเรา ใม่มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์แบบไหนก็ตามจะไม่มีอะไรมาทำให้เราเสียใจทุกข์ใจได้แต่ถ้าเราขาดคุณธรรมสี่ข้อนี้ใจของเราจะวุ่นวายอยู่เรื่อยๆถึงแม้เราจะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามถึงแม้เราจะมีตำแหน่งมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกานี้ ใจของเราจะวุ่นวายเช่นใครพูดไม่ดีทำอะไรไม่ดีเราก็จะโกรธล่ะแล้วถ้าเราเป็นใหญ่เป็นโตรเราก็จะใช้อำนาจไปออลงโทษเขาก็ไดเออ้เราไปทำให้เขาโกรธเราเกลียดเราเองเออไปสร้างศัตรูแทนที่จะสร้างมิตรแต่ถ้าเรามีเมตตาเราก็จะให้อภัยไม่ไม่เป็นไรแหนวไม อ, อ Never mind. ผ่านไปแล้วอะไรก็เกิดขึ้นแล้วเไปทำอะไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันผ่านไปแล้วอันให้คิดอย่างนี้แล้วใจเราจจเย็นใจเราจะสบายให้อาภายัยอย่าอาฆาตพยาบาทอย่าไปจองเวรจองกรรมเขาทำไม่ดีกับเราเราต้องทำไม่ดีกับเขาสองเท่าอย่างนี้พอเราไปทำเขาสองเท่าเดี๋ยวเขากลับมาทาเราสี่เท่า เพราะเขาก็คิดเหมือนเราอะคนนี้ไม่มีเมตตาจะคิดแบบเดียวกันจะอาฆาตพยาบาทเหมือนกันเนีย่ยยนเรามาหัดสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้มีอยู่ในใจดีกว่าแล้วใจเราจะเย็นจะสบายจะมีความสุขถ้าถึงเวลาที่เราช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เราไม่ช่วยเหลือมันก็จะทำให้เราไม่สบายใจเอ๊ะทำไมเราไม่ช่วยเหลือเขา เราหวงเงินทองหนะเราอะไรมันจะคิดไม่ดีมันทําให้เราไม่สบายใจ เ, เวลาคนอื่นเขาได้ดีบได้ดีเราไม่ไปแสดงความยินดีให้กับเขาเลยแสดงเราอิดช้าเขาหรือเปล่า เ, เราน้อยใจหรือเปล่าเราเสียใจหรือเปล่านี่คือเรื่องที่เราต้องหัดเจริญกันหัดต้องทําวิธีจเจริญก็คือต้องทำํำ ต้องพยายามทำอยู่เรื่อยๆเมตตาก็คอยคอยมีอะไรก็คอยแบ่งกันไปเรื่อยๆมีขนมมีข้าวของมีเงินทองที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราก็เอาไปให้กขาเดินดีกว่าให้เขาได้รับประโยชน์การให้จะทำให้ใจเราสบายมีความสุขนดีกว่าการเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าการเอาเงินไปซื้อข้าวของต่างๆ เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวซื้อมาแล้วความสุขนั้นก็หายไปไปเที่ยวมาแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วทำให้ใจเราไม่ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจทำให้ใจเราหิวอยากจะเที่ยวอีกอยากจะซื้อของอีกแต่ถ้าเอาเงินที่ไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของนี่ให้คนอื่นไปนี่มันทาให้ใจเราอิ่มมีความสุข จะไม่รู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปซื้อของนู้นของนี้มามันดีตรงนี้การแผ่เมตตาการให้การทําทุนให้ทานเนี่ยเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาสร้างความอิ่มใจสุขใจให้กับเราดีกว่าการสร้างความหิวด้วยการเอาเงินไปซื้อของไม่จำเป็นเอาเงินไปเที่ยวของพวกนี้มันทำให้เราใจเราหิว เพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดนยาเสพติดเวลาเราเสพเสร็จปับ๊บเราก็อยากจะเสพใหม่เราก็ต้องไปซื้อยาใหม่มาเสพไม่เหมือนกับอาหารเราซื้ออาหารมากินปับ๊บพอกินอิ่มแล้วก็ไม่อยากจะกินอาหารอีกเนี่ยการทําบุญการแผ่เมตตานี้ก็เป็นเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับใจทําให้ใจมีความสุขมีความอิ่มไม่หิวโหวยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากไปนู่นมานี่อยู่เฉยๆก็มีความสุขแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆยิ่งซื้อเท่าไหร่ ย, ยิ่งอยากซื้อมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่ามันความสุขที่ได้มามันพอได้มาแล้วเดียวเดียวมันก็หายไปพอหายไปก็ต้องหาใหม่มามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินเพื่อมาใช้เงินก็จะวงเวียนอยู่อย่างนี้ หามาเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่มันก็ยังเหมือนกลับมาอยู่ที่เดิมใจก็ยังหิวเหมือนเดิมยังอยากเหมือนเดิมถ้าอยากให้ใจอิ่มใจไม่อยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากจะใช้เงินกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มพอไม่มีเงินก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทาบุญก็เฉยๆอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปหาเงินมาทาบุญ ใจไม่หิวกับการทำบุญเพราะการทำบุญทำให้ใจอิ่มไม่เหมือนกับการใช้เงินเพื่อไปเที่ยวเพื่อไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆพอใช้ไปแล้วแทนที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอกับทำให้ไม่อิ่มไม่พอกับทำให้อยากอยากได้อีกอยากไปเที่ยวอีกนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเราจึงต้องรู้จักวิธีปฏิบัติ ในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์เกิดความสุขกับใจก็คือเราต้องหัดมาแผ่เมตตากันมาให้ความสุขต่อกันมาให้ความการุณาต่อกันช่วยเหลือกันบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนมาแสดงมุทิตาจิตเวลาผู้อื่นเขามีความสุขเวลาผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีแล้วก็ถ้าเราช่วยเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ ต้องมาใช้อุเบกขาทำใจให้เฉยๆบางทีก็เป็นอะไรเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เช่นเขาเป็นโรคภัยที่รักษาไม่ได้เป็นอามาพเพกรมาพาดจะทำไงเขาก็ไม่หายถ้าเราอยากให้เขาหายเราก็จะทุกข์ใจเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของเขวก็แล้วกัน นี่คือวิธีที่เราจะทำให้ใจของเรานี้อยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามถ้าเรามีเมตตากรุณาโมฎิตาอุเบกขาฉนั้นขอให้พวกเราพยายามไปเจริญเมตตากรุณาอุเบกขากันต้องเจริญเวลามีเหตุการณ์ไม่ใช่ไปเจริญเวลาสวดมนต์เวลาสวดมนต์นี้ไม่ได้เจริญ ต้องมีเหตุการณ์เวลาพบปะกันก็ยกมือไหว้พักทายกันยิ้มให้กันเวลาใครเขาทาให้เราไม่สบายใจก็ให้อภัยเขาไปอย่าจองเวรกันเวลาใครเดือดร้อนช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปเวลาใครได้ดีบได้ดีก็แสดงความยินดีกับเขาไปเวลาที่ทําอะไรไม่ได้เลยช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้แสดงความยินดีก็ไม่ได้ก็ต้องเฉยๆไป นี่คือคุณธรรมที่จะรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาวารอวาหาปุราปาริปเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตจินางเปตานังอุปปักปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปเรนตุสังกปา จันโตปนะระโสยะามณิโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวัชฌันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศิริจานิจจังุทาปจายโน ยะตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาสามร้อยเก้าส5บสองหสบห้า วิทยุออนไลน์19รับฟังข้างบนนี้61คนรวมทั้งหมด736ครับอมืมีใครอยากจะถามไหมคำถามจากผู้ฝากถามครับมีสองคำถาม คำถามที่หนึ่งเคยได้ยินว่าบางคนทำกรรมฐานแบบไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะอาจทำให้จิตวิปริตวิ ป, ปลาสได้จริงไหมคะจริงจริงเรียนหนังสือไม่มีครูอาจารย์แม้แต่เด็กอนุบาลเราไม่มีครูคอยเฝ้าเดี๋ยวก็ตีกันในโรงเรียนนั่นเด็กอนุบาลแย่งกันอะไรกันยังนั้นการศึกษานี้ต้องมีครูมีอาจารย์เั้น ในทางที่เราไม่เคยรู้มาก่อนถ้ารู้เราก็ไม่ต้องไปเรียนครับที่เราไปเรียนเพราะเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องมีครูมีอาจารย์อนี้ครูอาจารย์อาจจะมีหลายรูปแบบอาจจะมีเป็นหนังสือเป็นตาําราก็เป็นครูเป็นอาจารย์ได้แต่ก็สู้ครูอาจารย์ที่ไม่เป็นตาําราไม่ได้เพราะตาํารานี่บางทีต้องไปเปิดดูไปค้นหาดูว่า เรื่องนี้จะต้องแก้อย่างไรมีปัญหาอย่างไรแต่ถ้ามีครูอาจารย์นี่ครูอาจารย์จะแก้ทันทีเลยรู้ว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาอะไรต้องแก้อย่างไรก็เลยคําถามที่สองคนที่มีสภาวะอารมณ์ซึมเศร้าหรือมีอารมณ์แปรปรวนเช่นพวกอารมณ์สองขัว ควรให้มาเจริญวิปัสนาหรือไม่เจ้าคะแล้วมันจะทําให้เขาดีขึ้นหรือเปล่าและถ้าเขาไม่กินยาแต่มาภาวนาอย่างเดียวจะทําให้อาการแย่ลงจนเกิดอาการทางโรคจิตเภทหรือเปล่าคะคือการปฏิบัติทางพุทธศาสนานี้มันเหมือนเข้ามาหาลัยเนี่อยู่ดีๆคนไม่มีพื้นฐานจะให้เข้าไปเรีย น, นเรียนไม่ได้หรอกมันแช่อยู่ดีๆจะไม่ฝึกสมาธิวิปัสนาเลย โดยที่ไม่รู้ว่าการฝึกสมาธิวิปัสสนานี้ทำเพื่ออะไรมีมีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไรและต้องทำอย่างไรเพราะนมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายพูดง่ายๆต้องใช้เวลาศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าการทำสมาธิทำเพื่ออะไรแล้วทำอย่างไรแล้วต้องทำมากน้อยเพียงไร ไม่รู้เพียงแต่อยากพอรู้นั่งสมาธิเอามานั่งห้านาทีสิบนาทีไม่ได้ผลก็เลิกไปละนี่มันมันไม่ใช่เร้วคนเราสบายนี้เห็นการฝึกสมาธิเป็นเหมือนปอกกล้วยเข้าปากต้องมาปฏิบัติจริงๆรเงี้ยรู้ว่ามันมันไม่ใช่ของง่าย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามโยมพ่อของโยมท่านชอบเก็บตัวและชอบอยู่คนเดียวโยมพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยหรือดูแลท่านแต่ท่านเหมือนที่จะชอบสันโดษโยมทำได้คือเวลาที่ท่านเจ็บป่วยหรืออยู่โรงพยาบาลจะเข้าไปช่วยดูแลปรนนิบัติแต่ในยามปกติทำได้คือจัดหาเสื้อผ้า อาหารที่มีประโยชน์ให้กับท่านเท่าที่จะทำได้แต่โยมก็ยังรู้สึกว่ากระตันยูกับคุณพ่อยังไม่เพียงพอรบกวนพระอาจารย์ชีเนะด้วยเจ้าค่ะอลองลองลอ ง, ลองถามไปเลยเขาถามว่าปกติโยมพ่อ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 ก็มันก็ถ้าท่านต้องการเล้วนั้นก็พอแล้วนะมันอยู่ที่ท่านถ้าท่านไม่ต้องการมากกว่านี้เราก็ทําอะไรให้กับท่านมากกว่านี้ไม่ได้มันอยู่ที่ผู้ผู้รับว่าเขารับได้เท่าไหร่เขาต้องการให้เราทําอะไรให้เขามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทําไปตามที่เขาต้องการก็แสดงว่าเราทําได้เต็มที่แล้วคําถามต่อไปจากคุณชรินทิพย์ ลูกสาวเก้าขวบแล้วตอนเด็กๆพาไปวัดแต่เช้าไม่งองแงเลยพอโตขึ้นเริ่มงองแงเอาแต่ใจการพาเขามาวัดแบบไม่อยากมาจะกลายเป็นได้บุญใหม่เจ้าค้าหรือต้องรอเวลาให้เขาอยากมาเองอเด็กถ้าทําใจเด็กก็สอนเด็กไม่ได้การจะสอนเด็กก็ต้องบังคับเด็กเห็นถ้าเด็กไม่อยากไปโรงเรียนก็ไม่ต้องไปรอให้เด็กอยากไปโรงเรียนแล้วค่อยส่งไป งั้นท้าอะไรที่ดีสําหรับเด็กถ้ายังพาเขาทําได้ก็ต้องพาเขาทําบางเขาบางครับให้เขาทําไปเพราะตอนนี้เขาเชื่อเราแต่ถ้าเขาตอบไปเขาโตแล้วเขาจะดื้อยิ่งกว่านี้ยิ่งโตขึ้นทั้งหลายพอเขาช่วยตัวเขาเองได้เขาก็จะไม่มาฟังเราเขาก็อยากจะไปทําอะไรตามความต้องการของเขางั้นตอนนี้ถ้าเรา ยังควบคุมบังคับเขาได้ก็ควรจะควบคุมบังคับเขาเพราะจะได้ปลูกฝังนิสัยที่ดีให้เขาได้เพราะว่าถ้าเขาได้ทำลายบ่อยๆมันก็อาจจะติดเป็นนิสัยไปต่อไปและเขาอาจจะเห็นคุณค่าของการกระทำสิ่งที่ดีว่าเป็นประโยชน์กับเขาแต่ถ้ า, าสมมติว่าเขาเป็นคนแบบไม่รับอะไรเลยทำทำว่าเขาเราบังคับเขาทำเขาก็ทำพอเราไม่บังคับเขาเขาก็ไม่ทา เอาก็โตขึ้นเขาก็ไม่ทมตามที่ระบังคับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณโมเดิลแฮร์ทำไมนั่งภาวนาได้สองชั่วโมงจนหมดเวลาเกิดน้ำตาไหล แต่ก็ภาวนาจนแผ่เมตตาน้ำตานี้เขาเรียกว่าปิติใช่ไหมเจ้าคะก็ถามมันสิน้ำตาเป็นอะไรมาถามเราทำไม่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันน้ำตามันมีวิธีหลายหลายแบบด้วยกันปิติก็ได้ฟันเข้าตาก็ได้เสียใจก็ได้งั้นก็คุณก็ดูสิดูปฏิบัตินักปฏิบัติมันก็ต้องสังเกตดู ของนี้มันไม่ต้องถามคนอื่นนะของนี้ต้องถามคนอื่นก็น่าจะตอบแต่นี่มันเป็นของที่ไม่น่ามาถามกันนะคุณกินข้าวอิ่มแล้วมาถามเขาว่าขบถามคนที่ไม่ได้กินว่าหนูกินข้าวอิ่มแบบนี้อิ่มเพราะอะไรก็จะไปรู้แล้วก็คุณเป็นคนกินคุณก็สังเกตดูสิคนอิ่มเพราะอะไรทํ cosplay, าไมบางวันกินข้าวแล้วไม่อิ่มบางวันกินข้าวอิม่มแล้วมาถามคนไม่ได้กินจะไปรู้ได้ไง คุณก็กินคุณก็นอยสังเกตดูสิว่าทำไมวันนี้มันถึงอิ่มวันนี้ทำไมมันถึงไม่อิ่มคําคำถามต่อไปจากคุณอุ้มเวลาเริ่มต้นนั่งสมาธิมักจะมีปัญหาดังนี้ค่ะใจคิดฟุ้งซ่านจนตั้งสมาธิกับพุทโธไม่ได้และมีอาการปวดขาทำให้นั่งนานไม่ได้ดิฉันควรเริ่มต้นแก้ไขปัญหาอย่างไรดีเจ้าคะถ้ายังพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อน สวดมนต์ไปยาวๆสวดมนต์ไปนานๆนสวดบทที่เราจำได้อย่าไปสวดแบบเปิดหนังสือจะได้ไม่ต้องใช้สายตาใช้ใช้ความจาใช้ความคิดความจำเ้วก็ท่องไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้สวดไปนานๆจนรู้สึกใจเยน็นใจสบายแล้วค่อยลองมาดูลมหายใจต่อไปบางคนก็ใช้การฟังเทศเนี่ยนั่งไปแล้วก็ฟังไปฟังไป แล้วพอเทศเสร็จก็นั่งต่อไปได้เพราะใจเราบางทีไม่มีสติพอที่จะควบคุมให้มันอยู่กับพุทโธได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นไปก่อนคำถามต่อไปจากคุณวิจิต<ส>การทำบุญทำทานอันที่สงของบุญที่ได้รับน้อยกว่าการนั่งสมาธิหรือครับก็มันม<จ>ีหลายระดับ แต่ถ้ายัางทำบุญทำทานไม่ได้ก็อยากไปทำบุญด้วยการนั่งสมาธิมันทำไม่ได้นะมันเป็นบุญเป็นขั้นเหมือนวิชาความรู้ที่เรียนแต่ละชั้นมันมีความรู้มากน้อยต่างกันความรู้ของอนุบาลก็น้อยกว่าปถมปถมก็น้อยกว่ามัธยมถ้าเราอยากได้ความรู้มากมากแต่เรายังไม่ได้เข้าอนุบาลเราไปเรียนปถมหรือมัธยมแล้วก็เรียน้นก็สอบตกเรียนไม่ได้ เพราะเราไม่มีศักยภาพที่จะไปความรู้ระดับที่สูงนั้นได้เงั้นถ้าเรายังทําบุญทําทานไม่ได้หัดทําบุญทําทานให้ได้ก่อนทําบุญทําทานได้แล้วรักษาศีลได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็หัดรักษาศีลไปก่อนอถ้ารักษาศีลได้แล้วก็ถือศีลแปดได้หรือยังศีลห้าแล้วยังต้องเพิ่มเป็นศีลแปดเพราะศีลแปดแล้วทีนี้ก็ลองไปนั่งสมาธิดู มันก็จะได้มไม่ใช่บอรู้ว่าบุญอย่างนี้ได้มากกว่าอย่างนั้นก็เราเอาอย่างนั้นดีกว่าบางทีก็เป็นช่องของกิเลสตัวตน่หัวเงินหังทองทำบุญได้เงินน้อยกว่านั่งสมา ธ, นมาธินั่งสมาธิไม่เสียเงินกลับได้บุญมากกว่า<ม>ก็นั่งสมาธิไม่ดีกว่าเลยใช่มเออเอาเงินไปเที่ยวที่ลังเนย <laughs> เลยมันเก่งนะเนี่ยนรามาปฏิบัติเรอไม่รู้เลยว่าเราทําบุญเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้ทําบุญเพื่ออะไรแต่กิเลสมันรู้ว่าการทําบุญฆ่ามันมันเลยไม่ยอมไม่ฆ่ามันเลยหลอกให้เราไปทําบุญอย่างอื่นมันจะได้ไม่มาฆ่าความตนีเนี่ยพวกที่ชอบอุทิศบุญก็แบบเดียวกันนะชอบอุทิศบุญตอนนั่งสมาธิเสร็จแล้วเขาทิศบุญมไม่ต้องเสียเงินเลย แต่ถ้าไปถอยสังฆทานไปทําบุญทาทานต้องเสียเงินเลยไม่อยากจะอุทิศบุญแบบนี้กันอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเนี <c> ่ย <oughs> คำถามต่อไปจากคุณมองเราฝึกปฏิบัติไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองและเมตตาต่อคนแต่คนที่เราเมตตากลับเอาเงินทองไปทําผิดศีลห้าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ยึดติดครับ ก็ให้เขาเปแล้วก็เรื่องของเขาก็จะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาไปถ้ารู้ว่าเขาทําไม่ดีเขาหน้าก็อย่าไปให้เขาแล้วนี่ให้คนที่เขาเอาเงินไปทําประโยชน์ถ้าเอาเงินไปทําโทษกับเขาแล้วกับผู้อื่นก็อยากไปให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนคนให้แต่เราก็ยังต้องให้อยู่ไม่ใช่ว่าให้ก่อนนี้มันเอาไปกินเหล้าเมายาก็เลยไม่ให้มันเลือกให้ไปหมดเลยเก็บไว้ต่อไปอันนี้ก็เป็นแบบกิ เ, เลสเองค่ะกิเลสมันคอยหาช่องที่จะไม่ให้อยู่เรื่อยๆ คำถามต่อไปจากคุณสุจากเวทนาไปต่อที่สังขารกับสังขารที่ไปต่อกับวิญญาณในปฏิจจส ม, มุปบาทอย่างเดียวกันไหมครับอย่าไปสนใจเลยคุณยังไม่ถึงขั้นนั้นนะพูดไปก็เท่านั้น อ, อันนั้นมันขั้นระดับวิปัสสนาขั้นระดับอนาคามีไปแล้วขั้นอรัตมรรมไปแล้ว ตอนนี้หัดรักษาสีห้าให้ได้ก่อนเลิกกินเหล้าให้ได้ก่อนเลิกเาบาใบยามุกต่างๆให้ได้ก่อนเราใครยไปสนใจกับเรื่องปฏิจจสามุปบาทเนี่ยสมัยนี้พออ่านหนังสือเป็นก็เลยรู้หมดเลยรู้ธรรมทุกระดับระดับอารัตธมะกับัตผลก็รู้แต่รู้แบบรู้แบบทําอะไรไม่ได้รู้ไปเฉยๆอย่างนั้นเอง ยิ่งหัดทำหัดทำขั้นต่ําให้ได้ก่อนเถอะทาบุญทําทานให้ได้ก่อนรักษาศีลให้ได้ก่อนนั่งสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเจริญปัญญาต่อไปปัญญาก็มีต้งหลายระดับนี่ไปเอาระดับสูงสุดได้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอันระดับอรรถตัมมัชคําถามต่อไปจากผู้ฝากถาม นั่งสมาธิแล้วขยับตัวให้เข้าที่ได้ไหมครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่เข้าที่และหาวหรือจามันได้ไหมครับไม่ได้แล้ถ้าขยับตัวก็กลับไปเริ่มต้นใหม่การนั่งสมาธินี้พอเรานั่งแล้วก็ต้องอย่าไปขยับมันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจเวลานั่งก่อนจะก่อนจะก่อนจะเริ่มสมาธิก็ขยับให้มันเข้าที่ก่อนเดี๋ยวเราถามตัวเองว่าเข้าที่หรือยัง ถามมันว่าเข้าที่หรื อ, อยังถ้าว่าเข้าที่แล้วเดี๋ยวอย่ามาบอกไม่เข้าที่น ะ, ะต้องเล่นกับมันอย่างนี้มันถึงเมียนเดี๋ยวพอนั่งไปแวุบบอกเอ๊ะขยับต้นนี้วะเลื่อนไปแล้วเอ็นไปแล้วไม่ได้นะพอเริ่มนั่งแล้วต้องทิ้งร่างกายแล้วอย่าไปสนใจกับมันให้มาสนใจกับการภาวนาเพียงอย่างเดียวคาถามต่อไปจากคุณก้องพี่สาวอายุสี่สิบปีแต่เป็นอมภพฤก ตอนนี้พี่สาวยังทำใจไม่ได้เราควรแนะนำพี่สาวอย่างไรครับก็ถามเขาต้องการคำแนะนำจากเราหรือปป่าแต่เขาต้องการก็แนะนำบอกทำใจนะเป็นอย่างนี้แหละมันทำอะไรไม่ได้แล้วจะอยากให้มันไม่เป็นมันก็ไม่หายทุกไปเปล่าๆแต่ถ้าเขาไม่ถามไม่ยินดีจะรับก็ไม่ต้องไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะด่าเราเขาจะว่าเรา คำถามต่อไปจากคุณวัชสันการภาวนาก่อนออกเดินทางด้านปัญญาเราควรมีสมาธิเสียก่อนคำถามคือว่าเราจะมีวิธีสังเกตอย่างไรว่าสมาธิเราเพียงพอที่จะเดินออกสู่ทางปัญญาครับอ๋อมันรู้เองอะปฏิบัติไปมันรู้เองมันกินข้าวอิ่มหรือยังมันรู้เองแต่ยังกินไม่อิ่มไม่ไปทางานใช่ไหม เวลาก่อนจะออกไปทำงานนี่ต้องดูก่อนก้กินข้าวอิ่ม้วยังถ้ายังกินไม่อิ่มก็กินให้มันอิ่มก่อนพออิ่มแล้วมันก็ถึงจะรู้ว่าพร้อมที่จะไปทำงานสมาธิก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารใจวิปัสสนาก็คือการทำงานของใจนี่อย่างนั้นถ้าเรายังไม่อิ่มใจอย่าเพิ่งเราก็อย่าเพิ่งไปทางวิปัสสนา ทำ ใ, ใจให้มันอิ่มตลอดเวลาให้ได้ก่อนไม่ใช่อิ่มแค่นกกระจอกกินน้ำด้วยงูลาบนี่พ อ, อจากสมาธิหายไปหมดแล้วมันต้องออกมาแล้วมันยังอิ่มใจต่อไปมันถึงจะสามารถเอาไปทำวิปัสสนาได้เอาคำถามสุดท้ายนะครับคำถามจากคุณวิโรธ สัญญาเป็นอวิชาเราต้องทิ้งสัญญาในขันหมดเลยใช่ไหมครับไม่รู้ไปอ่านตำราที่ไหนสัญญาเป็นอวิชาลองไปเปิดตำรา ด, ดูใหม่นี่เพิ่ได้ยินวันนี้เองมีแต่สัญญานิจานี่สัญญาวิชาเนี่ยมาเรียนกันมาแบบนี้เราพูดกันมั่วกันไปหมดไอคนตอบเลยงงไม่รู้จะตอบยังไงเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ